คุณแต้มส่งกันบ้างไม่แน่ใจว่าโมหะน้อยกว่าเมื่อวานหรือเปล่าค่ะแต่ยังมีนะดูออกไห ม, ไมคือมันมันมันไม่โปร่งเต็มที่ใจไม่ใจมันยังมีความคับคล้องมีอะไรอยู่มันไม่แจ่มใสเต็มที่มองออกไหมเนื่องจากว่าจิตยังไม่ตื่นดีหรื อ, อยังไงนะจิตยังไม่ตื่นดีหรือยังตื่นไม่เต็มที่ มันเคยเต็มที่กว่านี้นี่มันมัวไปให้รู้ทันนะรู้แล้วเป็นกลางกับเขาอย่าไปเกลียดเขารู้แล้วเป็นกลางไปจริงๆการภาวนาง่ายนะร่างกายมันเป็นยังไงรู้มันอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ไปอย่างนั้นนะ่ะตามรู้มันไปเรื่อยๆดูมันทำงานเราไม่ไปทำซะเอง ดูร่างกายดูจิตใจเ้าทำงานของเขาทั้งวันทั้งคืนเราไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าเราไม่เข้าไปแทรกแซงนะเราเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นเราจะเห็นความจริงของกายของใจว่ามันทำงานได้เองนะมันไม่ใช่เราหรอกเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งมันก็ตัดสินความรู้ได้มันสรุปได้จิตมันสรุปของมันเองนะว่ามไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นตัวเราอีก โดเฉพาะไม่เห็นว่าจิตเป็นตัวเราถ้าจิตไม่ใช่เราก็ไม่มีอะไรเป็นเราแล้วถ้าไม่ยึดจิตก็ไม่ยึดอะไรอีกแล้วจิตเนี่ยตัวสําคัญเลยจะให้เห็นว่าเป็นแล้ไม่ใช่เราก็ยากที่สุดจะปล่อยวางก็ยากที่สุดงั้นถ้ากําลังพอนะลุยเข้ามาถึงจิตถึงใจทีเดียวเลยตัดสินกันให้เด็ดขาดลงที่จิตเนี่ยเส้นทางนี้สั้นๆถ้ากําลังยังไม่พอก็อ้อมมา ดูกายไปดูกายไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเพราะจิตเป็นคนดูมีจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากดูไปเรื่อยๆก็เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเรากายไม่ใช่ตัวเราดูง่ายพอเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ไปก็เห็นเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนามันเรื่องอยู่ในกายเช่นเรานั่งมากๆแล้วเมื่อยเราเห็นในความเมื่อยก็ไม่ใช่ร่างกายความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตมันแต่เป็นสิ Bee ่งที่จิตไปรู้เข้า พอนั่งแล้วมันเมื่อยเมื่อยแล้วใจกระสับกระสายเราก็เห็นอีความกระสับกระสายก็ไม่ใช่จิตความกระสับกระสายเป็นสังขารเกสัังขาขานเป็นเจตสิกอย่างไม่ใช่จิตอีกดูไปดูมาเราก็จะมาถึงตัวจิตจนได้พอดูมาถึงตัวจิตเราก็เห็นอจิตเองเกาเกิดดับนะเดี๋ยวเกิดที่ตาเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจ จิตเดียวก็เป็นกุศลเดียวก็เป็นอกุศลเดียวก็เป็นสุขเดียวก็เป็นทุกข์เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้สักอย่างเดียวเข้ามมาถึงดูถึงจิตพอเห็นว่าจิตเองก็เกิดดับไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงในโลกนี้ก็จะไม่มีตัวเราละดูไปดูไปมันจะเริ่มคลายความยึดถือร่างกายก่อนไม่ยึดถือร่างกายอย่างพอร่างกายแก่ลงไปก็ไม่ทุรนทุรายและไม่กลุ่มใจ รู้สึกร่างกายนี่มีหน้าที่แก่มีหน้าที่เจ็บมีหน้าที่ตายงั้นไม่ไม่ยึดถือกายก่อนแต่ว่ายังกลัวเจ็บยังกลัวเจ็บยังกลัวกลัวมันจะตายเราเข้าจริงๆเกากลัวนะไม่เพราะจะตายไปแล้วเดี๋ยวจิตนี้ไม่มีที่อาศัย <c oughs> นื้อภาวนาไปเรื่อยๆ เ, เห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของดีของมิเศษ ร่างกายก็ไม่ใช่ของวิเศษร่างกายเป็นก้อนทุกข์เวทนาทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่อาศัยไม่ได้ความสุขเกิดขึ้นก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็อาศัยไม่ได้ไไดกุศลก็อาศัยไม่ได้มีกุศลเกิดแล้วอกุศลก็เกิดได้ไเห็นเลยลว่าเราไม่มีที่พึ่งที่อาศัยเลยดูมากเข้ามากเข้าลงไปมันก็บีบวงเข้ามาหาจิตอีกต่อไปก็ไม่ยึดจิต ก็ไม่ยึดของอื่นก่อนเริ่มตั้งแต่ไม่ยึดของห่างๆก่อนไม่ยึดของข้างนอกก่อนแลมายึดร่างกายพอไม่ยึดร่างกายก็มายึดความรู้สึกนะมายึดความรู้สึกก็ยังมายึดจิตใจที่สงบตั้งมั่นพอไม่ยึดจิตไม่ยึดใจก็ไม่มีอะไรให้ยึดละหมดเพราะมันปล่อยมาเป็นลําดับลําดับเหตุการณ์นะตัดตรงเข้าหาจิตนะเร็วที่สุดแต่บางคนเข้ามาที่จิตตรงๆไม่ได้ก็ต้องผ่านทางกายมา ก็ต้องผ่านแบบมีชั้นเชิงไม่ใช่ไปเพ่งกายไปเพ่งกายเขาไม่มีทางผ่านเข้ามาถึงจิตถึงใจได้อย่างเราดูท้องพองยุบเราเพ่งอยู่ที่ท้องนิ่งๆิ่งอยู่ที่ท้องกีบฟิล์มก็อยู่ตรงนั้นมันไม่ปล่อยกายเพ่งกายอย่างเดียวมีแต่ปล่อยจิตพอเพ่งกายมากมากนะไปปล่อยจิตจิตดับไปหมดความรู้สึกวูบไปเหลือแต่ร่างกายงานการภาวนามีแต่เรื่องกายกับจิตดูลงมา จริงๆ ง, ง่ายถ้าง่ายง่ายถ้าเราทําเป็นเราง่ายนะตอนที่เรายังเที่ยวล้มลุกคลุกคลานอยู่เรารู้สึกยากเหมือนหัดขับรถนะหัดขับรถทีแรกรู้สึกว่าเดินง่ายกว่าขับรถอีกพอขับรถเป็นแล้วขับรถง่ายกว่าเดินฉันรู้สึกอย่ง น, นถ้าเรายังดูไม่เป็นรู้สึกโอ้ยยากเหลือเกินกว่าสติจะเกิดแต่ละขณะแต่ละขณนะนี่ยาก ต่อไปพอจิตมันภาวนาอัตโนมัตินะบางวันเหนื่อยขอไม่มีสติสักวันเถอะนี่เคยขออย่างนี้นะหลวงพ่อเคยขอโอ้ยเหนื่อยเต็มทีละคือมีอยู่ช่วงหนึ่งมันเห็นสภาวะภายในเนี่ยไหวยิบแยบยิบแยบอตลอดเวลาไม่รู้ว่าคืออะไรโดยจริตนี่ใส่หลวงพ่อเนี่ยเวลาเห็นสภาวะอะไรนะต้องค้นคว้าให้แจ้งแค่รู้เฉยๆใจไม่วางอะ่ะ จะหยิบมาค้นคว้าพิจารณาอยู่นั้นจนกว่าจะแจ่มแจ้งนี่สภาวะนิยมมันไม่แจ้งอะไรก็ไม่รู้ไหวยิบยับยิบยับยเล็กๆนะอยู่ข้างในดูอยู่เป็นเดือนเลยเหนื่อยมากเลยเหนื่อยวิ่งไปหาหลวงพ่อพุทธนะจะให้ท่านแก้ให้เราจะผ่านตัวนี้ได้ยังไงไม่เข้าใจเลยท่านก็อธิบายใหญ่บอกกรรมฐานพอถึงขั้นละเอียดแล้วเหลือแต่ยิบยับยิบยับ ท่านแต่พูดชานะหพุอพพชายกนะารภาวนาพอถึงขั้นละเอียดแล้วมันเหลือแต่ยิบยับยิบยับนี่ไม่รอนะไม่รอครูบาอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะว่ามันฝังอกฝังใจคนะ่อยคำที่ท่านสอนกริยาอาการอะไรเนี่ยนะมันฝังอกฝังใจเราท่านสอนมันนั้นเป็นมันบุรพาาจารย์ วันบูรพาจารย์ที่วัดป่าสารวัรเนวันที่หนึ่งถึงสามธันวาครูบาอาจารย์วัดป่าจะมาเยอะเลยแล้วก็ญาติโยมจะมาเยอะเต็มวัดมาทำบุญพระก็มาตามด้ยได้เวลาแล้วหลวงพ่อมาเต็มศาลาแลนิ ม, มนต์เอาให้ก่อนเอาให้ก่อนต้องแก้กรรมาฐานก่อนท่านสอนหลวงพ่อจนท่านเหนื่อยเลย ชั่วโมงกว่านะแก้ไม่ลงเลยใจมันไม่ลงมันไม่ชอบอะยิบยับเนี่ยมันคืออะไรอะท่านก็บอกว่ามันเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยก็มันไม่ยอมรับนะอยากรู้ว่ามันคืออะไรมันมาได้ยังไงมันจะดับได้ยังไงอยากรู้แล้วใจมันไม่รู้ท่านก็แค่ว่ามันธรรมดาธรรมดาเสร็จแล้วก็เลยต้องบอกท่านแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวหลวงพ่อต้องไปเทศต่ออีกก็ลาท่านออกมาเสร็จแล้วเขียนจดหมายไปหาอาจารย์มหาบัว เจนมาหาบัวสมัยก่อนนะมีปัญหาธรรมะเนี่ยเขียนไปถามได้เขาจะเขียนตอบมาคราวนั้นท่านตอบมาบอกว่าไอ้ยิปเนี่ยไอย้ตอนเนี้ยเราเพิ่งไปผ่าตามาท่านผ่าตาต้อต้อกระจกเพิ่งคนแก่บเราเขียนหนังสือยาวๆไม่ได้เอาหนังสือไปอ่านเองส่งทำเตรียมพร้อมมาให้เล่มเล่มเบลเอร์เลยนะเอามาถึงแล้วโอ้เล่มใหญ่อ่านกี่วันจะจมเนี่ยไม่ชอบอ่านหนังสืออ่านแต่พระไตรปิฎกนะ หนังสือธรรมะชั้นหลังๆนี่ไม่ชอบเลยยกมือไหว้ท่านทีหนึ่งนะท่านให้มาแล้วยกมือไหว้ขอบคุณหลวงตาลงกราบเอาหนังสือมาคลี่ดูปุ๊บแม่น้าที่เคลีย อ, อมาพอดีเลยตอบเรื่องยิบยับนี่แหละ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ท่านเล่นอะไรมาให้นคงรู้ว่าให้มันอ่านทั้งเล่นมันคงไม่อ่านมนาะ <c oughs> เสร็จแล้วท่านก็ตอบที่ท่านตอบแล้วก็เหมือนที่หลวงพ่อพูดพูด ใจโอ้ตายละเหมือนกันเลยกับที่หลวงพ่อพุธพูดแล้วเราจะทำยังไงดีเหนื่อยดูอยู่เดือนกว่าแล้วใช้เวลาทั้งเดือนกว่าผ่านสภาวะตัวนี้ไม่ได้วันนั้นเหนื่อยมากนะก็ น, นึกในใจโอ้ขอไม่ปฏิบัติสักวันขอไม่ดูยิบยับนี่สักวันหนึ่งวันนี้จะหลงโลกให้เต็มที่เลยตามองเห็นยิ้เห็นอีกแล้วหูได้ยินยิ้มทำไมอีกแล้วมันอัตโนมัติ ทั้งวันทั้งคืนนะอัตโนมัติงั้นเราภาวนานะถึงจุดหสติอัตโนมัติพอสติอัตโนมัติแล้วจําไว้นะสติอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันหยุดไม่ได้มันแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ได้มันจะรู้เองมันปฏิบัติของมันเองนี่หลวงพ่อทําไงดีเหนื่อยเต็มปดานวันนั้นนึกขึ้นได้ว่าเออเราไม่ได้ทําสมถะนาน่ะยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์นะรอรถเมย์จะไปทํางานตอนเช้าเอาว่าทําสมถะหน่อยรถเมย์ยังไม่มา หายใจนะหายใจนับหนึ่งนับสองไปเรื่อยหน่หายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งนับไปได้28ครั้นจิตมันก็เข้าไปพักพอจิตมันถอยออกมานะรถเมียยังไม่ทันมาเลยจิตถอยออกมาแนละ้ปุ๊บก็เราหยืนอยู่จิตถอยออกมาปุ๊บมันสติมันย้อนไปดูไอ้ยิบยับเนี่ยใจมันตั้งมั่นเพระใจมันผ่านสมาธิมาแล้วนะมันจะตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นได้ ทันทีที่ใจตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นใจมีสัมมาสมาธิปัญญาจะเกิดในอัตโนมัติเมื่อสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญามีหน้าที่อะไรปัญญามีหน้าที่ตัดจำไว้นะสติมีหน้าที่จับปัญญามีหน้าที่ตัดอะไรเกิดขึ้นสติจับมาดูใจตั้งมั่นเป็นกลางปุ๊บมันจะเชือดเหมือนจับคอไก่ให้มานะว่าไก่เชือดเลยนี่ปัญญาหน้าที่ตัดนะก็ขาดตรงนั้นเลยโอ้ยรู้สึกเหมือนลองวีคเอน เั้นเวลาพวกเราพาวนานะเบื้องต้นเนี่ยจะให้สติเกิดไม่ยอมเกิดออกต้องอ่อนวอนแทบตายก็ไม่ยอมเกิดค่อยฝึกหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆต่อไปมันเกิดพอเกิดแล้วถ้าใจเรามีฉันทะขยันรู้ขยันดูนะมันจะเกิดอุตรุดเลยคราว น, านี้เกิดทั้งวันทั้งคืนจุดที่เราจะได้พักถ่อนนีก็คือการทําสมถะงั้นถ้าทําสมถะได้คืเราก็ทําเป็นช่วงๆไปถ้าทําไม่ได้เราก็หาอารมณ์ที่สบายใจมาทํา ต้องเบรกตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ภาวนารวดเดียวไม่มีเว้นบัคเลยนะแต่หลวงพ่อเคยสอนเรียกว่าห้ามเบ้นบรคหมายถึงอย่าขี้เกียจ น, นะตามรู้ตามดูไปตอนไหนเหนื่อยแล้วก็ทําสมถะอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเบ้นบัคนะเบ้นบัคหมายถึงว่าลืมการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาหนีไปอยู่กับโลกอย่างนั้นถึงจะเรียกเบ้นบักเพราะฉนั้นเราภาวนาเรารู้กายเรารู้ใจนะสติทํางานอัตโนมัติไปเรื่อยๆถึงเวลาเหนื่อยแล้ว แล้วมาทำความสงบใครเคยทำกรรมฐานอะไรแล้วสบายใจทำอันนั้นหลวงพ่อใช้คำแบบมีเงื่อนไขนะอันแรกเคยทำอะไรเคยทาอะไรแล้วสบายใจกวทาอันนั้นถ้าทำแล้วเครียดเคยหายใจแล้วเครียดก็ไม่เอาเคยดูท้องพองยุบแล้วเครียดก็ไม่เอาเพราะว่าถ้าเครียดใจจะไม่สงบใจจะสงบได้เมื่อใจมีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ ใจต้องมีความสุขใจมีความสุขใจก็สงบพอใจสงบได้พักผ่อนแล้วออกมารู้มาเห็นอีกแต่ถ้าเราดูรวดเดียวไปเลยนะถ้าไม่ถล่มลงไปดูแบบหมกมุ่นเต็มที่นะการรู้นั้นจะรู้แบบกระจายกระจายอย่างคุณแต้มรู้สึกไหม้มันจะรู้แบบกระจายกระจายรู้แบบกระจายเนี่ยเพราะกำลังของสมาธิมันน้อยไปนะวิธีเพิ่มกําลังของสมาธิทําได้2แบบ1คนที่ทําชาญได้ก็ทําชาญ อันที่สองคนที่ทำชานไม่เป็นนะให้มีสติรู้ทันลงไปว่าจิตกำลังกระจัดกระจายอยู่เสร็จแล้วก็นั่งรู้ไปอย่างใจเย็นนะความกระจายนั้นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนี่เห็นไหมง่ายขนาดนี้จิตกระจายกระจายก็ไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมมันกระจายได้มันก็เลิกกระจายได้อันนี้สำหรับคนที่ดูเป็นแล้วนะคนที่ยังไม่เคยเกิดสติแลกระจายแล้วดูว่ากระจายแล้วกระจายหนักกว่าเก่าอีกนะจะหลงไปอีก ค่อยๆเรียนนะกว่าหลวงพ่อจะเข้าใจแต่ละอันแต่ละอันน่ลํำบากนะครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่บอกมีแต่ให้ลองทำเอาลองทำเอาไปทำเหอะเดี๋ยวก็แจ้งเองบางเดี๋ยวนะนะเกือบย0ปีไหนมีอยู่เดี๋ยวหนึ่งนะสุดๆเลยเดี๋ยวสุดๆเลยคือคาสุดท้ายที่หลวงปู่ดูลสอนให้บกพบจิตให้ทำลายจิตพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้จิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง นสอนมาตั้งแต่ประมาณกันยา2องหกกว่าจะเข้าใจนี่นะโอ้โหนานกว่าจเข้าใจ22ปีได้ก่จะเข้าใจใช้เวลานานที่ใช้เวลานานเพราะว่ามัวอยู่กับโลกอยู่กับโลกภาวนาแล้วก็หยุดภาวนาแล้วก็หยุดนะมันภาวนายากนี่เป็นคารวะภาวนาเบื้องต้นนะพอได้นะภาวนา ให้เต็มที่นะี่ยากที่สุดเลยแต่เราก็อย่าทออถอยเป็นกะว่าเราก็ทำไปให้เต็มที่เท่าที่ทำได้ถึงวันหนึ่งมีโอกาสไปบวชชีบวชพระอะไรก็ไปจะบวชก็ต้องเลือกที่นะบวชสุมสี่สุมหาไอยู่ในหมู่คณะที่พาเราเสียก็ได้ไม่ใช่บวชเป็นโซลูชันไม่จำเป็นต้องดีไม่ต้องเลือกมากเลยหลวงพ่อตอนจะบวชตะเวนดูจะบวชที่ไหนตะเวนไปซะทัว่วเลย เราหากัลยาณมิตรไม่ได้ตะเวียนไปไปหาท้าอาจารย์ตันนะแนวทางปฏิบัติก็คนละแนวกันท่านเหล่านี้ดีวิเศษสุดๆทั้งนั้นเลยแต่ละองค์แต่และองค์ไม่มีใครเทียบหรอกเพราะว่าเทียบกันไม่ได้ทางใครทางมัน <c oughs> แต่ว่าจริตนิสัยไม่ตรงกันบ้างข้อวัดปฏิบัติที่ไม่คุ้นเคยแตกต่างกันบ้างอะไรเงี้ยนะ ให้เราจะอยู่กับใครก็ไม่ได้มันไม่ค่อยเหมาะอยู่คนเดียวดีกว่านึกถึงพุทธภาษิตนะมีอยู่บทหนึ่งบอกว่าเอโกจเร ข, ข, ขนะักขวิสานกัปโผพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรดเหมือนนอแรดนะ่ะไม่ใช่นอกระสู้กระสู้มีสองนอไปไหนก็ตามกันไปเรื่อยๆพรนะเจ้าเคยสอนบ่อยๆบอกว่าถ้าหาคนทีน่ดีกว่าเราไม่ได้นะหรื อ, อยังต่ำเนี่ยเข้าเท่ากับเราไม่ได้นะ ไปคนเดียวดีกว่าเอาตัวรอดไปพเพลินอุปชาท่านอนุ ญ, ญาตท่านอนุ ญ, ญาตท่านบอกว่าเป็นพระกรรมฐานท่านให้ถือนิสัยท่านอยู่3เดือนแล้วท่านปล่อยเลยท่านบอกว่าให้ช่วยตัวเองไปเพราะว่าครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆนั่รับรองว่าช่วยตัวเองได้ท่าให้ช่วยตัวเองแล้วก็รูปลุกคลรคลำของเราไปนะกระท่อนกระแท่น มีมีดลึกลับอันหนึ่งจออยู่ข้างหลังท่านรักหลวงพ่อมากนะหลวงพ่อก็รักท่านที่สุดเลยเหมือนพี่ชายเราแท้ๆเลยเป็นห่วงเรารักเราสุดๆค่อยเร่งเร่งเอาเร็วๆเอาเร็วๆเราก็หืดขึ้นคอเลยนะหืดขึ้นคอตื่นเช้าขึ้นมาก็แพชจนกโยมอยู่ที่สวนโพแพชจนกโยมยังดีนะไม่เยอะขนาดนี้ถ้าเยอะขนาดนี้ไปไหนไม่รอดหรอก ตื่นช้ามาวันไหนถ้าโยมไม่มานะสุโควิเวโกความวิเวกมีความสุขเจอโยมแล้วก็เสียเวลาไปแล้วครึ่งวันพอโยมไปหมดแล้วนะไม่ใช่ว่าภาวนาได้ทันทีนะหมดเรี่ยวหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงน่นจะไปมีเรี่ยวมีแรงสามสี่โมงเย็นเป น, วนเวลาที่ดีที่สุดแล้วก็ใช้เวลาช่วงนั้นแนะภาวนาเลยกลางคืน ตอนเช้ามืดหนึ่งนน่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ยากหรอกนะถ้ารู้หลักนะแต่ถ้าไม่รู้หลักนี่ยากสุดๆเลยรูปๆคลำคลผ่านไปเดือนสองเดือนสเดือนมาอีกแล้วมีข่าวมาจากป่าละอูได้ยัง <c oughs> โอ้ยตาย แ, แล้วข่าวมาที่ฟิธทนะีฟิธทีหนึ่งก็รวนไปทีหนึ่งนะ <c oughs> นี่เรียกว่าความรัก ความรักของพี่ชายนะทําให้น้องชายปิด จ, จัดถพอเราภาวนาพอเออสบายสบายแล้วเราก็กะว่าเราก็อยู่ของเราอย่างนั้นสบายๆนะพี่ชายก็ไม่ยอมให้เราอยู่สบายสั่งให้ย้ายมาอยู่นี่ส่งให้ย้ายย้ายมารับชะตา ก, กรรมแต่เดิมตอนอยู่สวนโพอ่ะ ตอนที่จะไปหาที่ที่อยู่ไมยโยมชักใหญ่เต็มวัดมีพระองค์หนึ่งท่านมาชาักแถวเกลงเกเบียรท่านบอกว่าท่านมีถ้ำอยู่ท่านอยู่องค์เดียวในถ้ำแล้วมีกุฏิมีอะไรอยู่ข้างหน้าถ้ำนี่มีดีเลยอยู่แล้ววิเวกสบายนิมนท่านอาจารย์ไปอยู่เลยนิมนทรไปเป็นสมภาร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะได้หนีไปอยู่ที่อื่น <c oughs> ตอนนั้นวิเวกมากเนะี่ย แต่ว่าท่านสั่งให้มาอยู่เมืองชนต้องมาทางนี้คําสั่งของครูบาอาจารย์เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะพระเนี่ยจะเคารพสิเนลิตี้มากเลยอย่างท่านอาจารย์จวนที่แรกท่านจะตามหลวงปู่เทศไปภาคใต้พอสิ้นท่านอาจารย์มั่นแนละจะตามหลวงปู่เทศไปภาคใต้หลวงปู่ขาวก็ชวนบอกมาอยู่กับผมเถอะมาอยู่กับผมไม่เอาผมจะไปกับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศน่ารักมาก เสร็จแล้วหลวงปู่ขาวเลยทนไม่ได้เลยบอกว่าท่านอาจารย์มั่นฝากท่านไว้กับผมไม่มีคำพูดที่สองละตามหลวงปูขาวเลยงั้นอย่า ง, างนักปฏิบัตินะครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำทำไปเถอะอย่าดื้อนักเลยนะความดื้อไม่เห็นพาใครให้ดีให้วิเศษได้สักคนเลยนะแต่ว่าก่อนจะเลือกครูบาอาจารย์ต้องมีสติปัญญาเลือกนะไม่ใช่อาจารย์ เรานึกว่าดีเราก็เลือกไปเลยแล้วก็เชื่อไปเลยมอบกายถวายชีวิตนะได้ถวายชีวิตได้แน่อย่างั้นนะต้องทดสอบนะอย่างฟังธรรมะครูบาอาจารย์ให้ทำอะไรก็ทำไปทำไปช่วงหนึ่งสามเดือนหกเดือนอะไรเนี้ยแล้ววัดตัวเองดูมีพัฒนาการที่เห็นได้ไหมถ้ามีพัฒนาการที่เห็นได้ก็เดินต่อไปถ้าไม่มีพัฒนาการก็ต้องหยุดละ งั้นต้องค่อยๆสังเกตเอาไม่ใช่หัวปักหัวปั๊มงมงายทุกวันนี้ใครๆก็พูดเรื่องดูจิตก็มาเรียนกับหลวงพ่อแล้วจะต้องถูกเสมอไปอะไรงี้ไม่จําเป็นหรอกรู้ได้ไงว่าหลวงพ่อสอนถูกนึกเอาเองเ ช, ชื่อไม่ได้นะเชื่อคนง่ายหลวงพ่อเคารพครูบาอาจารย์นะแต่เวลาครูบาอาจารย์ถามมาเชื่อไหมจะตอบทุกครั้งเลยยังไม่เชื่อครับแต่จะขอไปทดลองก่อนหลวงปู่ดูลถามเชื่อไหม ยังไม่เชื่อครับแต่จะขอไปทดลองดูก่อนจะจำไหมแล้วจะเอาไปลองดูท่านบอกมันต้องอย่างนี้สินะบางทีท่านทดสอบนะว่าว่าจะงมไงายไหมงั้นภาวนาจริงๆนะรู้สึกไปรู้สึกอดทนนิดนึงหัดรู้สึกตัวไปลืมความรู้ความเข้าใจเก่าๆซะชั่วคราวนะเคยรู้เคยเรียนอะไรมาหลายปีแล้วก็ยังเหมือนเดิม ลืมล ม, มันซะชั่วคราวหลวงพ่อกล้าท้านะมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยถ้าไม่ดื้อ น, นะเดือนสองเดือน3เดือนอะไรนี่หลายคนที่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างอัตโนมัติเลยมาบอกเองเลยนะว่าไม่เหมือนเดิมละจิตใจไม่เหมือนเดิมรู้แล้วว่าการปฏิบัติจริงๆเป็นยังไงบางคนพูดเท่าหารถึงขนาดนั้นบางคนมามีผู้เท่าคนหนึ่งมาจากภูเก็ตมาถึงให้ลูกหลานพามานะอุตสามาจากภูเก็ต มาถึงก็มาบอกหลวงพ่อมากราบมากราบขอบคุณหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อตอนนี้ไม่สงสัยอะไรอีกแล้วแกไม่สงสัยจริงๆนะแกห้าวหาญขนาดนั้นเข้าใจแล้วเเข้าใจแล้วแล้วก็ไปเลยมาจากภูเก็ตนะเป็นวันๆมาแล้วก็กลับไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าเขาเกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่เขาเห็นได้ แล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่คนรอบข้างรู้สึกได้คนรอบข้างรู้สึกได้นะอย่างเราภาวนาผิดๆนี่เราจะเครียดเป็นยักษ์เป็นมารอยู่ได้เวลาไปอยู่ตามวัดตามเข้าคอร์สนะก็เป็นนางฟ้าลกลับบ้านแล้วเป็นนางแม่มดนางมารร้ายเพราะอะไรตอนไปวัดตอนไปเข้าคอร์สเก็บกฎมากไปทําตัวให้เป็นคนดีต้องเรียบร้อย พอกลับบ้านหมดแรงกวนนะตัวจริงโหลกมาแถมบวกดอกเบีย้ยด้วย <c oughs> ให้เก็บกวนเนี่ยต้องมีดอกเบีย้ยล้าย <c oughs> พอมาหัดรู้สึกรู้สึกนะ <c oughs> ตัวเองเปลี่ยนเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานมีครูหรือเมื่อวันวันสืนออ๋อนี่เรครูนี่สิเ <c oughs> มื่อ่อนร้ายกาดลูกศิษย์บอกชอบตี ทำอะไรไม่ได้ก็โมโหออกมาภาวนาเกิดโมโหขึ้นมาเห็นจิตที่โมโหพอโมโหดับปุ๊บเลยไม่ตีเด็กพอไม่ตีเด็กนะเด็กสงสัยครูเป็นอะไระ <laughs> ครูไม่สบายหรือเปล่าความจริง <laughs> ครูรู้ทันตัวเองรู้ทันจิตรู้ทันใจครูมีพัฒนาการที่ตัวเองเห็นได้ลูกศิษย์ก็รู้สึกได้หลายบ้านนะเป็นอย่างนั้น ทนฟังไปเรื่อยๆรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะทนทนฟังเพราะว่าฟังฟรีไม่เก็บค่าฟังซีดีก็ให้ฟรีนะไปฟังให้แล้วก็ฟังบ่อยๆฟังแล้วฟังอีกซีดีเดี๋ยวนี้ยาวม้วนหนึ่งฟังทั้งหลายชั่วโมงสมัยก่อนนะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออาจารย์เพียงจันอาจารย์เพียงจันสามีเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ชัยพัฒด็อกเตอร์ก็กม า, าพาภรรยามาเรียนที่สวนโพ ด็อกเตอร์ก็เรียนแบบด็อกเตอร์ภรรยาก็เรียนแบบคนที่ไม่ใช่ด็อกเตอร์นั่งฟังเล่นๆเป็นปด็อกเตอร์ตั้งใจภรรยาก็ฟังฟังบ้างฟังนิดหน่อยเอาใจโน้นละอย่างเงี้ยนะได้ๆแต่ว่าอัดเทปไว้คุณเพียงจันนี่อัดเทปไว้กับบ้านนะเปิดเทปฟังแก บ, บอกว่าฟังประยน์เทปยืดพอฟังไปยนตเทปยืดนะมีอยู่ม้วนเดียวนั่นแหละจิตตื่นเลย มีอยู่ชั่วโมงเดียวนั้นอะนะฟังอย่างจิตตื่นขึ้นมาฟังแล้วฟังอีกเดี๋ยวนี้ฟังซีดีนะคงไม่ฟังจนซีดียืดหรอกฟังมากๆฟังไปเรื่อยๆฟังไปเล่นๆไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องฟังเล่นๆนี่เคล็ดลับนะฟังธรรมะของหลวงพ่อต้องฟังเล่นอย่าฟังจริงฟังเล่นๆไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วจิตใจมันจะขยับเยื่นเคลื่อนไหวอะไรมันจะเห็นขึ้นมาพอเห็นแล้วการภาวนาก็จะง่ายละ มันนั่งดูจิตใจมันทำงานทั้งวันทั้งคืน ด, ดูอย่ามีความสุขวิธีของหลวงพ่อเลยเป็นสุขาปฏิปทานะสบายของพี่ใหญ่ของหลวงพ่อเนี่ยท่านทุกขาเพราะท่านเดิน <c oughs> ท่านเลยทุกขาขามเมื่อย <c oughs> ท่านเดินของหลวงพ่อสุขขาเพราะไม่ค่อยได้เดินนั่งเอาแต่ท่านมาเคยท้าหลวงพ่อนะว่า <c oughs> อย่างประโมทนี่นะมาเดินแข่งกับเราสู้เราไม่ได้นะ ท่านอายุเยอะแล้วหลวงพอ่อนกว่าท่านเยอะนะแต่ว่าท่านแข็งแรงถ้าท่านเดินพราเราเดินแล้วไม่ถนัดไม่ถนัดจริตคนไม่เหมือนกันเราก็ดูว่ายังไงแล้วถนัดคือสติเกิดไม่ใช่ถนัดตามใจกิเลส น, นะอย่ามาบอกหลวงพ่อว่าดิฉันถนัดนอนค่ะ <c oughs> กรรมฐ า, านอะไรก็สู้นอนไม่ได้เพราะเวลาดิฉันนอนจิตมันสงบ สงบไม่รู้เรื่องเลยค่ะรวมจิตรวมรวมทีเดียวถึงเช้าทุกวันเลยนะไม่ได้เรื่องนะอย่างั้นกรรมฐานนะ้นอยากยืนก็ยืนอยากเดินก็เดินนะอยากนั่งก็นั่งถ้าอยากนอนให้นั่งให้เดินนะยกเว้นอยากนอนนะตามสถิติมีเหมือนกันบรรลุตอนนอนนะมีแต่มีน้อยมี อ, องค์ทางศีสเกต องนั้ น, นอนกรรมาฐานถ้านอนแล้วสติเกิดดีพอชันข้าวเสร็จหมดธุระอะไรนะก็ปิดบุตินอนล้นอนดูไปจนพ้นไปมีองเดียวนะอย่าไปเอาอย่างเป็นความสามารถพิเศษคล้ายๆในทีวีใช่ไหมเวลาใครทําอะไรแปลกๆก็ต้องมีคําเตือนนี่เป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบคนอื่นต้องนั่งนะต้องเดิน ไม่มีที่เดินก็ยืนเอาก่อนเคยอยู่กับหลวงปู่สิมมีโยมมาบอกว่านั่งแล้วหลับท่านบอกเดินสิเดินจงกรมอกที่บ้านไม่มีที่เดินท่านบอกงั้นให้ยืนมีที่ยืนไหมเออนึกนะนึกเอ้ามีค่ะทาไมต้องนึกก็ไม่รู้ประหลาดลงมันมีที่นั่งเหมือนก็ต้องมีที่ยืนใช่ไหม <c oughs> มีการ น, นึกนะเอมีก่ะมี ให้ยืนนะอะไรก็ได้อย่าให้มันหลับนะรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยรู้สึกกายรู้สึกใจนะรู้สึกจนเห็นความจริงของเขาพนะอเห็นความจริงแล้วไม่ใช่เรานะได้พระโสดาบันพอเห็นความจริงว่ากายนี้ทุกข์ล้วนๆจะได้พระนาคาเห็นว่าจิตทุกข์ล้วนๆนะก็จะปล่อยวางแล้วไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกแต่ว่าเป็นพระอรหรันต์ไหมไม่เป็นหรอกพระอรหันต์ไม่มีหรอก ไม่มีพระอรหันต์ที่ไหนรู้สึกว่าเพียงเป็นพระอรหันต์ไม่มีตัวมีตนอะไรจะหยิบฉวยขึ้นมาเลยนีรู้สึกแต่เพียงว่าธรรมดามีอยู่ธรรมดามีอยู่เพียงแต่ว่าเป็นธรรมดาธรรมดาอย่างหนึ่งที่มีอยู่เท่านั้นหลวงพ่อนะมีเวรมีกรรมต้องผจญกับโยมสู้กับโยมยากนะโยมมันดื้อนะโยมดื้อ ด้วยกับพระแล้วก็ขี้เกียจจุดอ่อนของโยมเลยขี้เกียจชอบผ่านวันประกันพรุง่งเรียนๆพอพอทําเป็นนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแก่ๆ แ, แล้วจะกลับมาทำอะไรเงี้ยดีชั่นงานมา ก, ข อ, กขอเลี้ยงลูกก่อนเดี๋ยวลูกโตแล้วจะมาทำโอ้โหพอลูกโตมันก็มีหลานมาให้เลี้ยงอีกดนะ้วยแล้วไม่ได้พานาะนะสู้กับโยมนะเหมือนจับปูใส่กระด้งเลยพี่ชายหลวงพ่อท่านเลย มีดำริลึกซึ้งท่านบอกท่านจะรับพระให้หลวงพ่อรับโยม <c oughs> บอกคุณสร้างมาทางนี้เรากเราสร้างมาทางนี้ <c oughs> คุณมีอธิวาสนานทางสั่งสอนมากกว่าหลวงพี่คุณไปจัดการโอ้คำพูดของท่านเป็นของศักดิ์สิทธิ์สาหรับเราเนี่ยก็มาตักครับ เวลาไปเยี่ยมครูบาอาจารย์หลายองค์นะกระทั่งท่านอาจารย์ตันโอ้โหอิจฉาจังเลยอิจฉาหนอออิจฉาเนอท <c oughs> ทำไมมีความสุขอย่างนั้นนะไเจอหลวงตาผนึกมีแต่ความสุขไม่มีใครไปยุ่งด้วยสบายในๆนหลวงพ่อก็เหนื่อยแล้วนะพวกเราให้คุ้มคุ้มหน่อยนะ <c oughs> สอนเหนื่อยเพราะว่าไม่ได้สอนแบบเลคเชอร์หลวงพ่อสอนแบบ สำนวนของเซนนะคือจากจิตสู่จิตฟังไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆก็ปิ๊งขึ้นมาตื่นขึ้นมาฉับฟันนั่นเองตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจถามว่าอยู่ๆมันเกิดขึ้นได้เองไมไม่ได้เกิดเองสิ่งที่หลวงพ่อพูดแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยคือเรื่องของสภาวะธรรมล้วนๆเลยพูดเรื่องกายบ้างเรื่องจิตบ้างเรื่องกระบวนการทำงานของจิตบ้างาพูดเรื่องเหล่านี้ตลอด พูเรื่องเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ย ว, ย, วยังอ้นอย่างนี้นี่ก็ลือคือเรื่องสภาวะรุนๆเลยพอเราฟังเรื่องสภาวะมากๆต่อไปจิตเราจําสภาวะขึ้นมาได้แล้วสติเกิดเองพอสติเกิดเองเนี่ยนะคุณงามความดีที่เหลือมันจะพัฒนาขึ้นมาเองง <c oughs> ั้นหลายคนภาวนาจะมาบอกว่าไม่เหมือนเดิมแล้วเป็นคนใหม่แล้วไม่เหมือนเดิมแล้วยังอ้วนรู้สึกบ้างไหมหนิวอ้วอนไม่ใช่อ้วนขี้โมโหเท่าเดิม โมโหแต่ว่ารู้ทันไม่ถูกความโมโหครอบงำจิตใจมันเปลี่ยนนะรู้ด้วยตัวเองแต่ละคนจะรู้สึกเองใจโปร่งโล่งเบาสบายมีความสุขนี่ป้าโสเจ้าของขนมชั้นมาใหม่ๆมืดตือๆเลยนะหลวงพ่อเรียกมาเองเห็นชอบไปคุยธรรมะนะคุยธรรมะลึกซึง้งเราเพิจารณาไม่ใช่หรอกของปลอมบอกคนไปเรียกมา เรียกมามาฟังอยู่สองสามปีนะตื่นขึ้นมาแล้วเข้าใจแล้วการภาวนามไม่ได้เหมือนที่ทําอยู่หรอกเข้าใจขึ้นมานี่อย่างตึกตึกนั่นมันหัวดือ้อนั่งท้ายห้องมันดื้อเหมือนตึกเลยคือ <c oughs> ต, ตึกไม่ค่อยมีความรู้สึกดือ้อสอนนานหลายปีรู้สึกขึ้นมาเป็นนะก็เป็นนิวตึกเปลี่ยนเปลี่ยนฉับฟัน เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วมันจเปลี่ยนฉับพลันไม่เนิ่นช้าพระพุทธเจ้าถึงสอนเนี่ยธรรมะของท่านเนี่ยเป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าเป็นธรรมะของมหาบุรุษเป็นธรรมะที่ดีที่วิเศษเป็นธรรมะลดละกิเลสเลยเนี่ยพระอนุรุตพิจารณาพิจารณาไปได้เจข้อพุทธเจ้ามาเติมข้อที่แให้ธรรมะวินัยนี้เป็นธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าไม่ใช่ว่าดีวิเศษแต่ชักช้านะเพราะฉะนันถ้าเนิ่นช้าไม่ถูกหรอก ต้องฉับพลันเ น, นี่ยพระเจ้าไปบอกพระนุรุษนะพระนุรุต ไ, ได้กำลังใจอุ๊ยต้องฉับพลันนะไม่เนินช้าขยันดูดูดูไม่ชักช้าดูไม่นานนันก็เป็นพระรอรหันต์ดโมงเชิญไ้ทันข้าว